กา <c oughs> รรมตโตขึ้น อ, อีกต่อไปเรื่นี้เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเราจัดสรรเวลามาเพื่อการ น, นี้ ก็ต้องให้มีส่วนประกอบหลายๆอย่างมีศรัทธาในความเชื่อทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งอีกแล้วก็มีความเพียรจิติมันจะเกิดเข้ากันประกอบ ความเพียรเป็นส่วนที่ทำให้สติมันเกิดขึ้นมาความพยายามใช่ใจที่จรู้เวลามันหลงเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้เลือกประกอบหรือว่ความเพียรหรือว่าศรัทธาให้เป็นงานเฉพาะ ใส่ใจเฉพาะกรยันกยันรู้เอาไว้ตั้งไว้เพื่อจะเปลี่ยนความไม่รู้ให้เป็นความรู้ให้มีความพร้อมถ้าไม่มีความพร้อมมันก็เกิเ้อเน อะไรก็ตามถ้าเราไม่มีความพร้อมมันไม่ไม่ทันเวลาประคองต้องกิจไว้เพื่อจะละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดที่ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อละโศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือความเพียร ในสัทธาเลือกพละสัะทธาภะละกำลังอันหนึ่งวิญญริยะภละความภาพเพียนกำลังที่สองเสริมเข้าไปสติภะละให้ความเพี้ยนอันที่สามเสริมเข้าไปสมาธิภละให้มั่นให้มั่นคงเสริมเข้าไปอย่าหวั่นไหว แล้วก็จะถึงปัญญาพละสำเร็ จ, จความดีได้สำเร็จแล้วความชั่วได้สำเร็จ้เกิดมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้นี่ว่าปัญญาถึงปัญญาจากปัญหาก็เป็นปัญญาขั้งสุดท้าย ยดเรามีสติอยู่แน่มันก็มันก็เป็นเหตุไม่มีเมื่อเหตุเป็นดีมันก็มีผลดีถึงปัญญาเป็นอริทรัพย์ภายในของเรามันไม่สูญเสียไปไหนประกอบสติก็ต้องมีสติ จนมันชํานานเวลามันหลงแล้วมันชํานาญแล้วไม่ได้ทําอะไรเมื่อมีเมื่อมีความหลงก็มีสติตทันทีหลงหลงอยู่ที่ดอยสติอยู่ที่นั่นมันเป็นไปแล้วถ้าหัดให้มันเป็นไม่ว่าอะไรถ้าหัดให้เป็นมันก็เป็นไปเลยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปลําดับ เรยว่ามันเป็นมรรคเป็นผลเปนับเป็นผลแล้วไม่มีเป็นโทษเป็นภัยร่วมหลงก็ละได้แล้วรวมทุกข์ก็ละได้แล้วรวมโกรธก็ละเลยแล้วเลยเป็นมรรคเป็นผลในชีวิตเราเราจะเป็นความเย็นก็เย็นแล้วไม่ร้อนแล้ว ดับได้แล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกุศลอ่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นแล้วดานี้ได้ว่าชนะใชยชนะเราเราก็มาสวดถวายผลพระ การเอาพระเ้าอชนะมานทั้งหลายกิเลสมานขันธามานพยา ม, มานมัจจุมานเทพบุตรมานสังขารมานที่มันเกิดขึ้นตลอดถึงอะไรต่างๆช่างนาลาชิลิงนันชิจมมานิกา นี่คนที่โจกันพระพุทธเจ้าก็เ อ, อาชนะด้วยหลักธรรมมีเมตตากุณาไว้เป็นเพื่อนฐานมีใจหนักแน่นไว้มีสติไว้ไม่หวนไหวอะไรง่ายๆคนมีสติยังไม่หวนไหว ไม่ผู้ไม่แพร่ไม่ด่วนรับไม่ด่วนไปเฉดเราหัดไปแล้วเราฝึกหัดได้แล้วเราทําเป็นแล้วอันนี้ก็เกิดจากการหัดการฝึกการพึกหัดไม่ว่าเราฝึกอะไรก็เป็นอันนั้นหัดงานฝึกงานอันใดก็เป็นงานเรื่องนั้นเป็นกีฬาเรื่องนั้น เป็นกิรณาในความชำนาญในความรู้เป็นปริญญาชํานาญในความรู้กําหนดรูด้โดยความรู้กำหนดรูด้โดยความละที่ว่าปริญญาของชีวิตชํานาญในการใช้ชีวิต าการเกิดเจ็บเจ็บตายมันเป็นความชํานานการเกิดเจ็บเจ็บตายมันเป็นภัยมันเป็นโทษผู้ที่ศึกษาผู้ที่มีความชนานก็พ้นโทษอย่างเราหาดาว่ามันหลงก็รู้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 มันเป็นไปมันเป็นไปได้ชีวิตของเราเนี่ยมันหัดได้ฝึกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้จึงอย่าประมาทเล็กแต่นวอาก็ทำไปก่อนลูกไปก่อนช่วยโอกาสไปก่อนไม่ใช่หาโอกาสการฝึกตนสอนตนไม่ใช่หาโอกาสแตการก็ทำลงไปเย็นความดี นิดหน่อยก็ยังเหมือนก็ดีได้เหมือนน้ําหยดทีไรหยดชูตุมกว่าน้ําก็เต็มไปด้วยองค์ก็เต็มไปด้วยน้ำฉันได้ความดีไม่เล็กน้อยก็อย่าประมาทความชั่วไม่เล็กน้อยก็อย่าประมาทก็เหมือนกับน้าหยดลงใช้ตุมหยดไปบ่ก็เต็มตุ่มน้อยเช่นกัน มันความชั่วก็หมือนการความดีก็เหมือนกันนัน ก, ก็มีเท่านี้มีกุศลก็ควรทำต่อไปมีอกุศลควรละไว้เสมอมันก็เกิดขึ้นที่เราเนี่ยหลงเป็นอกุศลรูปเป็นกุศล เ, เริ่มต้นตรงนี้เป็นกําเนิด ี่เป็นสิน่งที่ทำให้เป็นกำเนิดเกิดขึ้นในิงที่ถูกต้องแล้วก็เดินทางนกุศลอกุศลเมื่อกุศล เ, เรามีสติดีอกุศลเรามไม่ได้หลงไปกับความทุกข์ที่เป็นทั่วเป็นภยัย ก็ตามเราไปร่างกายก็ไม่ได้ทำชั่ววาจา ก, ก็ไม่พูดชั่วจิตใจก็ไม่ได้คิดชั่วอ๋ที่จะทำชั่วที่เกิดขึ้นจากกายจากวาจาจากกิจก็ไม่มีนานมาหลายวันแล้ว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 ไม่ทำบาปดว้วยไหวจาก็ทำได้แล้วไม่ทำบาปด้วยใจก็ทำได้แล้วทั้งกายทั้งไหว จ, จ่าทั้งใจไม่เคยทำบาปทำกรรมมันเหลืออะไรอีกมันเหลืออะไรอีกถ้าไม่ทำบาปทั้งกายวิยจกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเหลืออะไรอีกนั้นก็บริสุทธ ความบริสุทินี้เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเชือกมันขาดเชือกมันขาดก็งดไปชูวอันเดิม เ, เช่นเชือกส้นหนึ่งผูกอันหนึ่งไว้เชือกส้นหนึ่งผูกอันหนึ่งไว้ก็ดีมันขาดแล้วงดตัวไป จมที่เดิมแต่มันก็เป็นเชือกอยู่แต่มันเชื่มไม่ได้เมืเอามา่เอเจอมัดอมัดต่อมันเป็นเชือกมันก็ใช้่มไม่ได้เวลาจะมัดอะไรมันก็ขาดเอามาใช่ลองดูมาใชื่เป็นอกุศลทางกายอกุศลทางวาจาอกุศลทางจิตมันใช่ไม่ได้ มาให้มันรักมันก็ใช่ไปได้มาให้มันโกรธม <Gee Stupid>. ันก็ใช่ไปได้มาใช่เป็นสุขมันใช่ไปได้มาใช่เป็นทุกข์มันใช่ไปได้มาใช่อะไรที่มันเคยใช่มันใช่ไม่ได้นั่นหดตัวเวลาจะใช่มันหดนั่นหดไปมันไม่ให้ใช่สิ่งนี้น่าลักจมันก็ใช่ไม่ได้ใช่เป็นความรักให้เป็นความรักไม่ได้ ใช่เป็นความโกรธให้เป็นความโกรธไม่ได้ใช่เป็นความทุกข์ใช่เป็นความทุกข์ไม่ได้มันใช่ไม่ได้แต่ก่อมันใช่ได้มันติดถ้าหยิบเตีเยบมัเหมือนกับน็อต <Not S 2> มันลูดเกลียวมันลูดมันหมุนไม่ติ ด, ตดเหมือนเกลียวสกูน็อ mm hmm.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 แม้มันเกิดขึ้นมันต้องอยู่มันก็ไม่มีมีแต่ทุกข์ทั้นั้นบสไปมีแต่ทุกข์ทั้นั้นตั้งอยู่หาอะไรอีกไม่มีแล้วเหมือนเกิดมีร้อนก็มีหนาวถ้าไม่มีหนาวก็มีร้อนเกิดขึ้นถ้าไม่มีร้อนก็มีหนาวเกิดขึ้นในลูกนี่มันเป็นอย่างนี้มันเลยไม่มีอะไร มันใช่ไม่ได้จะใช่รักใข้เกียดชังใชใ่โกรธให้ดีใจเสียใจให้มีรสมีชาติในรสของโลกมันไม่มีแล้วมันจืดไปแล้วเป็นอิสละเต็มไปด้วยเมตตากนุณามีเงินมีทองเป็นเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เกิดจากการกระทา มในลําดับดูมุ้เกิดจากอะไรก็เกิดจากนี้มันมาอย่างนี้มาอย่างนี้ก็เลยเป็นวิชากรรมฐานจึงพระพุทธเจ้าได้วางสูตรเอาไว้เมื่อมาทําดูมันก็เป็นอย่างนี้เป็นทางอันเดียวไปสูงที่เดียวเดินคนเดียวถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันนั้นเป็นอันเดียวกัน ชีวิตของสัตว์โลกมันมาตรงนี้สันเดียวกันถึงที่เดียวกันเช่นเรามีสติพระพุทธเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่แล้วถ้าเราหลงพระพุทธเจ้าก็มันบีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเห็นกายก็เห็นกายเหมือนกันมีเหมือนกัน สิงที่เกิดเก็บกายก็เหมือนกันเป็นสุขเป็ทุกข์เกิดกับกายก็เหมือนกันบางทีเอากายไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อเราศึกษาแล้วมันก็มาใช่สูกหรืทุกข์เห็นที่เป็นเวทนาที่ที่ว่าสุขว่าทุกข์มันก็ไม่ใช่สุขหรือทุกข์จิตที่เหมือนคิดเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่สุขหรือทุกข์ ตอนที่มันเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์กุศลอกุศลก็มันก็ไม่เป็นไปตามที่มันเป็นตามเหตุตามตามปัจจัยมันจบไปแล้วนั้นเป็นปกติคืนสภาพไ้าจะเป็นขันหน้าที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณรูปกวมี อะไรที่เกิดกับรูปสัญญาก็มีอะไรที่เกิดเป็นสัญญาหน้าที่ของรูป ก, ก็เป็นนําทำหน้าที่ของรูปสัญญาทําหน้าที่ของสัญญาให้เป็นงานเป็นการของเขาสงขารวิญญาณมันทําให้เป็นนันเป็นความขยันของขันหน้าเราดีว่ามันได้ศึกษาดูแล้วมีเชืช้อิ อะไรก็มีเจริสติไม่ทำไม่ให้เป็นลุนเป็นชาตินันก็จืดเหมือนกับคนห้าคนแต่ก่อนทำงานทางานเพื่อสร้างหน้าที่ของรูกทำงานหน้าที่ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเรามาดูไปดูไปมันหยุดเหมือนกับคนห้าคนนี้เหมันหยุด หยุดทำมานหวางเสียงหวงังของหวงังเครื่องมือเข้าไปสู่ที่เดิมสู่สภาพเดิมเวทนารูกกศวรูปเวทนาสักเ ว, วทน า, ส, ทนาสัญญาสังขารวิญญาณหยุดสังขารเหมือนนายช่างปั้นหม้อก็หยุดปัน้นวิญญาณคือมันไป ติดอะไรมามันก็ไม่ติดเหมือนเนื้อผ้าที่มันดีมันย่อมไม่ติดก็ดมันพัฒนาไปมันก็มีมาตรฐานมากขึ้นนายช่างปั้นหม้อปั้นหม้อขึ้นมาปั้นเท่าไหร่ก็แตกปั้นเท่าไหร่ก็แตก จะเป็นหม้อลูกเด็กลูกใหญ่ลูกสวยลูกไม่สวยปั้นขึ้นแล้วแตกทางนั่นจิงใดเป็นผิดผลของสังขารมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนนั้นหลอกเป็นได้เห็นแช่งไหนขันหน้าหยุ ด, ยดเมื่อมันมีขันตัวนี้มันก็ไม่มีภพไมีชาติ ในทานาสัญญาสังขารดับอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ใกล้ปลินิตพานนี่พระอนุทธะเป็นผู้ชำนาญในเรื่องนี้แล้วเจ้าก็สอนอยู่ว่า วิทยิธินีนโลดฌานที่สี่ฌานที่ห้าในว่าสัญญาณนะสัญญายตนะในว่าสัญญาญาณสัญญาสัญญาไม่มีไม่มีไม่มีคําว่าเจ็บก็มีความเจ็บไม่มีสัญญาในความเจ็บไม่มีสัญญาในความทุกข์ มันไม่เห็นตรงไหนที่เป็นความทุกข์พราความเจ็บความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ในวสัญญานาะสัญญามันไม่มีมันจืดไปแล้วมันเลยอยู่เหนือการเกิดเจ็เจ็บตายอันนี้มันเป็นไปจำลองนี่รู้ว่าทำํำไมมันเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมนันเป็นทางไปแบบนี้ เริ่มต้นจากกายาล้วพัฒนาสติปัฏฐานเห็นกายเห็นเวชนาเห็นจิตเห็นธรรมมันเป็นสูตรทั้งหมด <c oughs> ตือยทั้งหมดของชีวิตใครก็ตามนี่กายมีเวชนามีจิตมีธรรม น, น, นั่นชานาญอะไรที่เป็นเรื่องของกายมันบอกเห็นเป็นรูป เป็นรูปปรธรรมเมื่อเห็นเป็นรูปปธรรมมันแต่ฉานถ้าเห็นเป็นกายมันจนเห็นเป็นใจมันก็จนถ้เห็นเป็นกายมันมีตัวมีตนอยู่กับกายเป็นพวกเป็นชาติอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นกายชัวกายมันก็จบไป ไอเวทนาก็เป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เปของเราร้อนหนาวคือเราหิวคือเราอะไรคือตัวคือตนเมื่อเห็นแย่งไปเห็นเป็นรูปมันเลยไม่เป็นเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายไม่เป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาไม่เป็นตัวเป็นตนอยู่ในจิตไม่เป็นตัวเป็นตนอยู่ในธรรม มันก็บอกมันก็บอกความเท็จความจริงมันบอกความหลงไม่จริงก็ไม่หลงมันจริงความท paper, ask, ุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธมันจริงความเท็จความจริงมันบอกลูกมันบอกนามันบอก นอกจากมันบอกแล้วก็บอกถัง้งวัตถุอาการสมมติมันหยัดจริงรูปก็เป็นวัตถุอันหนึง่งน้าก็เป็นวัตถุอันหนึง่งรูปเหมือนคล้องเขียนอยู่นั่นอ่ะแต่เมื่อมีการสัมบัติเอาค้อนไปตีมันดังขึ้นมา เสียงค้างของข้องหรือว่าจตสิกไม่ใช่ข้องมันดังมันเป็นเหตุที่ทำให้มันเกิดเสียงขึ้นมาในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่มันเป็นขันธ์ห้ามันก็เป็นอย่างนั้นเหเหมือนกับจิตของเรานี่มันมีมันมีสัญญามันมีรูปมันมีนามใน ในรูปเหมือนใ น, ในจนิตของเราเนี่ยหเหมือนกับไม้ที่ที่มันตั้งอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันมีเมันเป็นไม้เวลามีเสียงอะไรกระทบก็ ด, ดังขึ้นมานั้นมีวัตถุอาการกจิตใจของเราก็เป็นวัตถอุอนการอันหนึ่งมันใกล้อะไรก็มันก็เก็บเสียงนั่นไว้ เวลานอนเราไม่ใช่มางทีเก็บเอาไว้ไว้เป็นควงฝันต่อไปต่อไปถ้าเราไม่หัดมันก็เจ็บโอทุกอย่างเจ็บเสียงทุกอย่างอะไรใก็ยังมันก็เจ็บเอาเจ็บเอาเอามันขยันติดมาตั้งแต่กลางวันมันติดอะไรมามก็เก็บไว้เก็บไว้ เหมือนวิญญาณจิตนี่มันก็มีวิญญาณให้มันเจ็บเอาไว้นั่นแหละไปเจ็บไปย่อมไปติดไปชิงใดมาความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความรักความเกลียดชงังความพอใจความไม่พอใจนั้นติดอย่อย่างนั้นนั้นเป็นสมมุติมันเป็นมันหยัดไม่รู้มันเป็นอย่างนั้น เคยบอกว่าความหลงมันไม่จริงความไม่หลงมันจริงมันก็เป็นสมมุติปัญญาติปลมัตความโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็นปัลมัตมีอยู่แต่เดิมเจิตของเราเนี่ยมันมีแต่เดิมบริสุทธิ์เวลามีความรักเกิดขึ้นมันมีสิ่งที่จอดตา เวลาความโกรธเกิดขึ้นมันไม่จึงความโกรธมันจรมาเราไม่เราไม่รู้เราไปเก็บไว้น้องตาเลยบอกว่าพระเจ้าเลยบอกว่าเวลามันหลงรู้เหมืนกับไม่เก็บแล้วไม่เก็บเอาความหลงไม่เก็บเอาความสุขไม่เก็บเอาความทุกเวลามันหลงรู้เวลามันสุครู้เวลามันทุกรู้มันไม่ ไม่มันไม่เป็นแผลเป็นแล้อให้หลงเป็นหลงมันเป็นแผลเป็นโกรธเป็นโกรธมันเป็นแผลเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันเป็ говорят, นแผลเป็นไี่จรลอยแผลในชีวิตเราลอยความรัก้อยความโกรธลอยความได้ลอความเสียลอยความผิดือยความถูกมันเป็นแผลเป็นใน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 ถ้ามันดีเียว่าฟิตใหม่เข้าอู่ใหม่เข้าคลอดใหม่เพื่อจะออไปใช้ให้มันใช้ได้ได้กายก็ใช่ไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษใช่พอใจา ก, ก็ไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษใช่จิตก็ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษ จนถึงเราชำนาญหลากายเวชนาจิตธรรมมันทั้งหมดของชีวิตล้วจึงมีงานแบบนี้ให้มันชำนาญในการกีฬาเป็นการช่างจนนายช่างซ่อมที่มันเสียให้เหม็นของดี เปลีนร้ายเป็นดีหรือว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์หรือว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธหรือว่าปฏิบัติธรรมไม่เห็นอะไรนกายเลยนนี่ยตาไม่ดียังไม่เห็น อ, อันตาก็พูดแบบแบบภาษาธรรมไม่ใช่พูดอนะคิดพูดให้ให้พูดให้เป็นเห็นนะส้มมันหลง่อมให้มันรู้มันนี่ไม่มีแผลเป็นตาหลงเป็นหลงม่แผลเป็น นี่คือชีวิตของมนุษย์มันเผชิญจากนี้ให้มันดีการไม่มีแผลเป็นในความในชีวิตของเราเนี่ยก็รู้ว่าผมหมจรรย์เป็นพรห ม, มจันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมันมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยไั่เช่ไม่จะรอยเผลแผ ล, แผลในใจ ไอ้ปีอะไออกมาเป็นเจ็บปวดเพราะมีแผลมีรอยอเพระไม่ได้เคยซ่อมไม่มีสติไปเห็นเข้าไปรู้รู้แล้วไม่มีสุข ก, ก็รู้แล้วทุกข์รู้แล้วความโกรธความโรคความหลงรู้แล้วมอันเดียวเท่านั้นแหละความโกรธก็อันเดียว ความหลงก่อนเดียวความทุกข์ก่อนเดียวความรักความเกลียดชังก็อันเดียวไม่มีพันเดื่นเหมือนโลกอขวัดพันใหม่ไม่มีแบบ น, นั้นมีอันเก่าอยู่ที่ไหนก็เป็นนี่โลกอันนี้เป็นรสชาติของโลกถ้าเกิดมาก็เป็นอย่างนี้มีรูปธรรมมีนามธรรมแล้วก็มีเท่านี้เป็นอันเดียวกัน ว่าทาจึงเป็นอย่างนี้ตัดใบดีอย่างนี้เดอทุกเป็นทุกก็มีทุกไม่เป็นทุกก็มีแดอะทำอย่างไงก็แล้วแต่เราจะศึกษาเรื่องนี้เดอทุกเป็นทุกก็เสียชาติกวเป็นโกวก็เสียชาติหลงเป็นหลงก็เสียชาติ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 นล้วก็ไปเหมาะเจการงานแล้วไปเป็นผัวเป็นเมียกันก็เย็นแล้วเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเย็นแล้วนั้นก็มีสวรรค์นี้ผ่านอยู่บนดินนี้อยู่บนโลกนี้อยไปรอทางมันตายเพราะนี้ผ่านไม่ใช่ตายนี้ผ่านคือหมดพิษแล้วหมดโทษแล้ว เย็นแล้วอย่างนี้นั้นอยู่ที่ชีวิตเราเนี่ยเราเจอมาฝึกตนสอนตนฝึกตนสอนตนเตือนตนสนุกนะไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการมาสอนตนเรา เห็นความหลงมันลึกซึ้งเห็นความไม่หลงมันลึกซึ้งเห็นความทุกข์มันลึกซึ้งเห็นความไม่ทุกข์มันลึกซึ้งไม่ใช่ลึกลับศาสนาไม่ใช่ศาสนาลึกลับเป็นศาสนาแห่งความลึกซึ้งสัมผัสได้เลยบิบมือขึ้นลู้สึกตัวได้เลยเวลามันหลงลู้สึกตัวได้เลย ลึกซึ่งแบบนี้ปฏิบัติได้แบบนี้มันน่าจะขยันแม้มันมีความง่วงเกิดขึ้นก็อย่าถือว่ามีปัญหานั่นเป็นปัญญาตรงนั้นด้วยมันไม่มันไม่มากมันไม่ยากอะไรถ้ามีความง่วง เกิดขึ้นก็มองไปไกลๆเอาออกไปก่อนอย่ามาคุ้มเกินไปถ้าคุ้มอะไรเกินไปมันก็มันมันไม่ค่อยจะได้ผลนั้นเราชีดยาค่อยๆ ค่อยบีบออกค่อยขีดออกปล่อยเบาๆให้มันสมควรตามกำลังเหมือ น, นบีบขนมกินขนมเส้นและมีรูเฝียนบีบเ ส, สมอๆมันจึงเป็นเส้นสวยงามถ้าบีบ ผูดผูดผัดผัดก็กเส้นชั้นสั้นไม่สวยตวมเพียนถ้าลีดเกินไปก็เสียหายแตกแต่ไม่เครียดทาไม่เบื่อนายคิดหลาบทาไม่เป็นก็คิดหลาบได้เหมือนพระรัฐบาล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 ทางเดินจงกรมไม่แต่ลอยเลือดมานั่งมนานั่งมาดูเราทำขนาดนี้ไม่ได้บรรลุธรรมเลยไม่มีใครทำมากเท่ากับเราโนอยทางเดินจงกรมจนไม่แต่ลอยเลือดหมดหมดความสามารถเท่านี้ ไม่เห็นใครมีทางเดินมีรอยเลือดเหมือนกับเราเลยเราในมันไม่มีบุญว่าชนาคงจะไม่ได้บรรลุธรรมอะไรคงจะต้องศึกไปทำบุญทำทานเราเราไม่ซับป้าโสนะโกริวิตะไม่ซับเป็นโกดเงินทองเราไม่ เราไม่ได้บันบุญกุศลได้มักผลนิพพานเพราะทำาวาเพียนแบบนี้ไปลาศึกไปทำบุญทำทานเอาเงินทองไม่หดไม่อยากจนถึงเอาลายโสนะโกริวิตะก็ไปลาพระเจ้าพอาลาศึกพระเจ้าถามโสนะ เธอเป็นโดนตีใช่ไหมโชนาก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะสมัยเป็นหนุ่มร่นนตีเธอเล่นอะไรกีตาร์พินสีโซเมื่อล่ะเธอประสมเจ้าเสียงมันเหมาะมันเพราะเธอเออสายพินสายกีตาร์ของเธอมันตึงเกินไปจะได้เสียงท้อไหม ไม่เพราะวเจ้าข้าถ้าหย่อนเกินไปเพราะไม่ไมเพราะว่าเจ้าข้าเอาอยัางไงมจึงจะพราะดีเอาพอดีพอดีมันมีนูดหลอดีหล่อชนหล่อชนหลอดูชนชนชนมีนั่ต่อเคยเล่นดนตรีมั้งกันเรามันจึงพอดีมันก็เช่นเงินสนะ เธอมันตึงเกินไปให้พอดีไปทำให้พอดีนี่บางทีเราตึงเกินไปก็ม่วงได้คิดพุ่งช้านได้บังคับเท่าไรยิ่งไปกันใหญ่ห ย, ย่อนย่อนถ้าเพ่งเกินไปก็ง่วงเครียดได้มองไปไกลๆเอาเออกไปด้วยเอาเข้ามาด้วยถ้าเป็นความจิต อย่าคิดอยู่ใต่นี่ดูอยู่ตรง น, นี้อยู่ย่อนย่อนทำสบายสบายไม่ลู้ก็ไม่เป็นลายลู้ก็ไม่เป็นรายเราโยกผิดก็ไม่เป็นลายหลงบ้างไม่เป็นลายลู่บ้างก็ไม่เป็นลายใปในใจมันเย็นมันสบายมัสนสนุกแราทำมัลงไปเอาจริงอ้อยจังบางคนหน่าปูดปูดทำความเพียนเท่นที่อยยิ้มแย่แจ่มใส เห็นมันทุกข์น่มันน่าจะยิ้มหอ่อโลอความทุกข์ไอ้มนมงน่าจะยิ้มหอมอ่อโล่ความงงทำใจดูว่าฉันทางประเวทติวิเลยียงอลาพัติจิตตังคณหติมีความเพียรความเพียรไม่ใช่ความไม่ทำไม่หยุดไม่หย่อนความเพียรคือทำแบบพอดีพอดี เรียกว่าศิละปะก็ได้ทำในใจเนี่ยแร่มมันม่วงกมองไปไกลๆมองท่องฟ้าทิศเหนือทิศใต้มองยอดไม้ทำท่าคิดไปก่อนออกไปเช่ก่อนอย่าเข้ามาในในใจในความรู้สึกตัวเกินไปมองไปก่อน สติไปยอยู่ต้นไม้นอนสติไปอยูต่ตองผ้าทิศเหนือทิศทางไหนทิศตะวันออกทางใดทิศตะวันตกอยูทางไหนยึดไปลำดับโลกก่อนลำดับไปแล้วเวลานี้เป็นเวลาเท่าไรเวลากลางวันกลางวันไม่ใช่เวลานอนกลางวันเป็นเวลาทํางาน กลางคืนเป็นเวลานอนทำความรู้จิตไปก่อนแล้วค่อยๆกลับมาทำเล่นๆบางทีมันใหญ่มันชู้มันโดยตรงไม่ได้จะมาสร้างจังหวะสู้กับกวง่้งไม่ได้จะมาเดินชู้กับกวง ม, ม้งไม่ได้โดยตรงเอาแบบอ้อมๆไปก่อน เหมือนหลงตาเห็นกระแตสู้กับงูประแตมันตัวเล็กงูมันตัวใหญ่กระแตมันช่วยหนูงูมันขึ้นไปคาบหนูจอกลังลงมาบนกติตกลงมาต้งหนูก็ลองจูๆจูจูจู้กระแตอยู่ในโพงต้นตับเต่า ก้างกระตีลองตานั่นแล้วก็เห็นได้ยินเสียงหนูร้อมออกมาจากโพงมันก็โดดเข้ากระถางงูงูคาบกระแตอยู่หางมันอยู่โน่นงูมันตัวย่อยกระแตก็โดดคาบหางงูแจ๊แกแจ๊แกแจ๊แกแจ๊แกแจกงูก็คาบหนูมันสู้กระแตไม่ได้งูแต่คาบหนูอยู่มันก็เลยวางหนู ไปสู้ก็ะแต่กระแตก็ไม่สู้วิ่งอ้อมอยู่นั่นในเวลาใดงูงจะเลื่อยตามกระแตไปตามหนูไปกระแตก็กระถางไว้จ๊ก๊กแจ๊กงูก็ขึ้นมาสู้กระแต่เอแล้วตัวหนูที่มันก็วิ่งเข้าไปก่อไัยมันมีก่อไผ่อยู่นั่นถ้างูงจะ ตามก็ตามหนูไปกะแตกก็ถางไว้เอาไปมางูเลยขดตัวเลยงูตัวใหญ่ขดตัวเลยขดตัวกะแตกแก็เวียงรอบอยอมกะแตกเลยเนี่ยมันสู้ซึ่งหน้ามนไม่สู้แล้วมันรับหลังมันเอาการสู้กับคิเลตอย่าไปสู้ซึ่งหน้าไปสร้างจังหวะสู้กับง่ว ง, งนะมันจะเข็ดหลาบนะ จะมีปัญหาเรายูเล่นไปออมองไปก่อนทำไปก่อนรู้ไปก่อนทำไปก่อนหมันคิดอะไรต่างๆก็ อ, อ, อย่าไปสู้ความคิดนาเล่นๆไปก่อนเลื่อนไหวไปก่อนพยายามปรับตัวอยู่เลยตั้งต้นใหม่อยู่เลยชีวิตใหม่ต้องตั้งต้นใหม่ ตั้งเอวไงเวลานั่งไปนานมันจะค่มลงค่มลงมลนค่มล ง, มลงยืดตัวขึ้นวางหน้าอกวางต้นคอวางไหหน้าไปหน้าเราก็มีที่วางนะถ้าวางไม่เป็นก็ไม่ไม่งามนะลางใจด้วยตอนสบายนี่เรียกว่าอุบายปัญญา สัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิสติวิริยะสัทธาหมุนอยู่เนี่ยเป็นจัรทับมันหมุนนะไม่ใช่เป็นแถวไปเหมือนไตทนาให้ตามหลังกันมันเป็นวงกลมรู้จักรแห่งธรรม อันหนึ่งสนับสนุนอันหนึ่งอันหนึ่งสนับสนุนหนึ่งไปพร้อมกันหมดต้องมีควมหลงไม่ความไม่หลงไม่ศรัทธาไม่สมาธิไม่ปัญญาเห็นหลงที่ใดมันมันดีมันไม่ไม่หลงเป็นหลงมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนหลงเป็นรูปแปลเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปหงเรียกว่าจักธรรมงูนไปข้างหน้าก็เอาไปสู่ความเจริญอันนี้เรียกว่า มันไม่ใช่เลยมันมีปัญญาอย่างมีสติก็รับความชั่วมีสติก็ทําทความดีมีสติกิตบริสุทธิ์มันก็ถูกต้องอแล้วนี่เราเรารู้จักตัวพระเจ้าอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วไม่อยู่ที่ไหนพระเจ้ามันอยู่ทุกคนทุกแหง่งเราหลงพระเจ้าเคยหลงถ้าเราง่วงพระเจ้าเคยง่วง เราทุกข์ผู้เจ้าเคยทุกข์ถ้าเราโกรธผู้เจ้าเคยโกรธไปทางเดียวกันไปเจอผู้เขาลูกแรกคือนิวรณธรรมเหมือนกันผู้เขาลูกแรกขวงกันจิตให้บรรลุวความดีคื อ, อ, าานอนควมคง่วงเหงาหอนเกลื่คิดทุงซ่านตัวมังเลีสงสยัย พวกมก็จบาทกามมาลาค้าเกิดขึ้นเหมือนกันคนมีลูกมีเมียก็ย่อมคิดถึงลูกถึงเมียเกิดขึ้นเหมือนกันก็ลูกเอาลูปเอาไปนะไปทางเส้นเดียวกันไปคนเดียวไปจู่ที่เดียวถึงที่เดียวกันนั่นก็พ้นเบกนี้แหละมันหลงจิงเป็นลูกมันโกรธจึงเป็นลูกมันมหลาค้าจึงเป็นลูกมันทุกข์จึงเป็นลูก อะไรที่มันเป็นมันหามันจึงเป็นมยาเกิดขึ้นไปแลาวน ะ, ะหมดเวลาแล้วกลาบพำพอมกัน